ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่หลวงปโปติยานกำลังนำเสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคองค์กรได้พูดถึงสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแก่พระย บ, บุคคลระดับโซดาบันว่าสามารถพัฒนาศรัทธาของท่านให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ หรือเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และก็ในใจ ส, สิขามองจากด้านของปัญญาก็มีความเห็นที่สมบูรณ์เขาเรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนมองด้านใจสิขาก็คือศีลสมบูรณ์สมาธิปรามาปัญญาพอประมาณก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าจะเพิ่มเติมจากทายะที่ท่านแสดงไว้โดยในยะหนึ่ง นั้นก็คือองค์ประกอบของสมาธิธว่าทำยังไงสมาธิธจึงจะเพิ่มพูนเจริญเติบโตได้แล้วก็มีความหนักแน่นอยู่ภายในใจิตใจของบุคคลคราวนีว้เพือสังเกตว่าสมาธิธนั้นคือปัญญาศิากขาแต่ว่ากันตามความเป็นจริงแล้วแนวที่เพิ่มพูนความรู้ทุกลักษณะเนี่ยถ้าหากว่าเป็นความรู้ในทางที่ชอบมันก็ เป็นอุปการะต่อสัมมาทิฏฐิโดยกันทั้งนั้นบางมคราวเราก็พบว่าทรงแสดงไว้ทั้งภูุสูตรแล้วก็ทั้งปัญญาหมายความว่าแนวภูุสูตรก็คือศึกษาเรียนรู้มาจากประสาทสัมผัสคือผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จําไว้ภายในใจบางกฎบางเกณฑ์บางเรื่องที่เป็นหลักสำคัญก็จาได้ขึ้นใจคือท่องได้ แล้วก็นําเรื่องเราดันมาสู่กระบวนการคิดซึ่งเราอาจจะเรียกว่าจินตามรยปัญญาบ้างอาจจะเรียกว่าตีรณาปริญญาบ้างอาจจะเรียกว่าโยนิโสมนสิการบ้างก็แล้วแต่นะฮะแต่โยเรียกเรียกว่าธรรมวิจัยบ้างก็ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาในการพิจารณาตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นลึกซึ้งมากทรายภาษาผมก็เปลี่ยนไป แต่เนื้อหาสาระจริงก็คือการเพิ่มพูนปัญญาขึ้นนั่นเองเ่าสมาธิิในทิ่หนึ่งองค์ประกอบวามสมาธิิได้แสดงไว้เป็นห้าข้อด้วยกันแต่เมื่อเรา่าวโดยภาคสนามแล้วก็คืออาจจะเป็นเหตุหรืออาจจะเป็นอาการก็ได้ทั้งสองอย่าง หมายความว่าเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิที่มีความหนักแน่นมันคงขึ้นหรืออาจจะเป็นอาการของคนที่มีสัมผาสสมาธิิฐอยู่ภายในจิตใจเราก็ได้นะตรับกคล้ายๆคนเรียนหนังสือนะฮะมันมีลําดับขั้นตอนในการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ก็แสดงความรู้ความสามารถเหล่านั้นออกมาเพราะงั้นในการเรียนหนังสือหรือความรู้ความสามารถของเขานั้นอาจจะเป็นอาการหรืออาจจะเป็นเหตุที่ให้เกิดอาการเหล่านั้นก็ได้ ในทีน่นี้ท่านแสดงไว้เป็นห้าระดับด้วยกันอับแรกก็คือศีลศีลเป็นอาการสำรวมระหวังกายวาจาของตนเอาไว้ไม่ให้มีการกระทำที่เป็นการร่วงละเมิดถึงสิทธิหน้าที่ของบุคคลอื่นแล้วก็เน้นไปที่สิทธินะฮะเป็นหลัก สิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในคู่ครองสิทธิในการรับความข้ขอมูลข่าวสารกับบุคคลอื่ค น, นคือไม่ทําด้วยกายเราก็ไม่พูดด้วยวาจาแต่มันก็สืบเนื่องมาจากเจตนานะฮะสืบเนื่องมาจากสํานึกหมายความว่ามีเจตนาที่จะงดเว้นมีเจตนาที่จะสํารวมระวังเห็นคุณค่าของศีลถึโทษของการไม่มีศีล แล้วก็ควบคุมอาการกายวาจาของตัวเองเอาไว้จนป่งเป็นปกติภาพปกติสุขว่ากันตามความจริงแล้วในบ้านเราเนี่ยมันมีรูปแบบนี่มากที่จริงศีลเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกุศลเจตนาคือใครก็ตามมีกุศลเจตนาต้องการสมัวระวังต้องการงดเว้นต้องการไม่ล่วงละเมิดต้องการละความชั่วมันก็ทําได้ในขณะนั้นะ แม้แต่เราจะไม่สมาทานศีลมาก่อนเลยเนะี่ยะไปถึงมันเห็นเรื่องที่ควรแก่ยวการละเมิดศีลแต่ว่าควบคุมใจตัวเองมีความสํานึกมีมโนธรรมอยู่ภายในใจมากพอมันก็รู้จักจับยั้งชั่งใจ ร, รู้จักบรรเทาความอยากที่บังเกิดขึ้นฮเช่นว่าไปเจอทรัพย์สินเงินทองก็วางทิ้งไว้มองซ้ายมองขวาแล้วก็อาจจะไม่เห็นใครแต่ว่าก็สํานึกว่ามนไม่ใช่ของเราอ่ะ ของคนอื่นแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาเป็นของของตนแม้ว่าจํานวนมันจะมากกว่นานต่างไอตรงเนี้ยก็ถือว่าการงบเว้นก็เป็นศีลขึ้นในขณะนั้นๆเขาเรียกว่าสัมปัตติวิรัติคืองดเว้นด้วยการพิจารณาสิ่งที่ประสบในขณะนั้นๆแล้วก็วินิจฉัยตัดสินเลือกประพฤติปฏิบัติในทางที่เหมาะสมควร แต่นวของการสมาธาเนี่ยเป็นแนวอย่างเข้าใจว่ามันน่าจะเกิดในยุคหลังเพราะว่าเราดูที่ภาษาบาลีเนี่ยมันไม่ค่อยเจอนะะไอสิกขาประทังสมาธิยามีเนี่ยบาลีจะใช้แค่ว่าปานาติปาตาปฏิเบรโตโคติหรือปานาติปาตาโหติอะไรนี้คือหมายความว่า ปณาริปราตาเวรมนีหรือปานาธิปาตาปฏิวัติโอที่เป็นผู้งดเป็นจากปานาธิบาตหรือเจตนางดเป็นจากปานาธิบาตมันจะมีลักษณะอย่างนั้นก็หมายความว่ามเมื่อเกิดสํานึกขึ้นมาเนี่ยก็สมมติระหว่งังวิธีการสมาทานเป็นวิเตียงคล้ายๆกับพันธสัญญาคือชาวพูดเราก็มาตั้งกันขึ้นเองนะ ชาวบ้านก็แสดงเจตจำนงแล้วก็คล้ายๆก็ขอให้พระเป็นพยาธิในการสมาทานสี่งของตนเองในการรักษาสี่งของตนเองก็ใช้การสมาทานแล้วก็บอกกล่าวมาข้าพเจ้าขอสมาทานไสยนาคมพร้อมด้วยสีนทั้งห้าประการพระท่านก็กล่าวนำให้ยังเคยครั้งหนึ่งเนี่ยไปพบไหนที่ที่แห่งหนึ่งเนี่ยคือเขากล่าวเอง ก็อย่างนี้ชมเขาว่าเออมก็ดีเนี่ยคือเราเองก็แสดงเจตนารมณ์ขึ้นมาเองเราก็นั่งฟังเฉยก็ไม่ได้ต้องว่าอะไรแต่แนวหนึ่งเนี่ยมันจะมีลักษณะของการงดเว้นด้วยเด็ดขาดคือปัญญาเรามีมากพอที่เห็นโทษชัดเจนเห็นคุณชัดเจนนะฮะล้วก็งดเว้นไปเลยเช่นเห็นโทษของการดื่มสุราชัดเจนเห็นคุณของการไม่ดื่มสุราชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดไม่ดื่มสุราตลอดชีวิต ไม่โกหกตลอดชีวิตไม่ล่วงเกินทางประเวณีตลอดชีวิตไม่ลักทรัพย์ตลอดชีวิ ต, ตอะไรแต่ละที่จริงก็พอทําได้นะฮะมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรนะักเปลี่วยนแต่ว่าคนมันไปขลาดกลัวต่อการทําความดีจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการปิดกั้นกระแสของเวรภัยอันตรายในชีวิตของบุคคลไว้ได้มากทีเดียวถ้าหากว่าเราทําได้เนะี่ยประการต่อไปนั้นก็คือสุตะ สุตตะนี่มันเป็นการพัฒนาปัญญาถึงตัวเสริมสมาธินะฮะคือเราจะเรียกชื่อยังไงก็ตามก็สรุปว่ามันเป็นทางเกิดทางเกิดของของปัญญาเพราะว่าปัญญาในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยมันกล่าวโดยสรุปนะฮะมันก็มาจากสองทางทางหนึ่งก็เรียกว่าสชาติกปัญญาคือปัญญาที่เกิดโดยกําเนิดมันมีไหวพริบไม่ติถิบิไม่ปฏิพานมีพรสวรรค์มีความคิดความอ่านซึ่งบางทีก็น่าทึ่ง เช่นเขาเล่าบอกว่าพ่อสอนลูกก็ผ่านผ่านพาไปหาผิดก็บัณฑิตบัณฑิตรพาไปหาผลน้ลูกนะก็สอนลูกไอ้ลูกมันมันไม่ติดใจในประเด็นตรงนี้คือลูกเขารู้นะตัวเด็กเล็กๆนี่แต่ก็ถามว่าพ่อพ่ อ, พอถ้าคุณผ่านกับบัณฑิตมาคบกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงดังนั้นก็แสดงว่ามันเป็นปัญญาที่ติดตัวเข้ามา แล้วเขาก็เข้าใจว่าถ้าก็ผ่านก็เป็นผ่านเขาบันดีก็เป็นบัณฑิตแต่ทีนี้บันดีก็ผ่านคบกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันก็กลายเป็นข้อสงสัยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขารู้เพราะพราอธิบายเนี่ยเขาเข้าใจแต่ก็คิดต่อจากสิ่งที่อธิบายนั่นก็คือลักษณะของปัญญาส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากพื้นฐานดั้งเดิมของเขาในลักษณะเด่นเป็นข้อสังเกตข้อสงสัย ในคราวหนึ่งได้เคยสอนหนังสือเด็ก เ, เล็กนะแล้วก็สอนภาพพุทธประวัติคื อ, อยังทึ่งเขาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็โตเป็นหนุ่มไปแล้วนะฮะก็เขาตั้งปัญหาถามตอนอพระพุทธเจ้าทรมานช้างนาลาคีรนะีคือภาพท่านเห็นเบญจก่อนนั้นเขียนนะฮะแล้วก็เป็นภาพสี เด็กเธอถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าผมจีวนแดงในขณะที่พระผมจีวรสีเหลือนที่จริงสีแดงนี่เขาห้ามผมนะฮะแล้วสีเหลือนก็ห้ามผมแต่ว่าคนที่เขียนเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเหล่านี้สีเขียวสีแดงสีดําสีขาวสีชมพูอ่าพวกเนี้ยสีเดือนสีแสดสีขาวสีดําสีชมพูเนี่ยก็ห้ามนะห้ามไม่ให้พระผม แล้วก็ตอนพระพุทธเจ้าพระจนพยมานที่กรหนังธรณีเบียบบีบมวยผมหยดน้ําท่วมพยมานเนี่ยมันก็มีสัตว์เป็นสัตว์น้ําจืดท้งนั้นแหละมันมีปลาฉลามผู่หัวมาตัวหนึ่งเตือชี้เลยเตือชี้เลยว่าตรงเนี้น้ําจืดเนี่ยทําไมมีปลาฉลามลนะ่ะอธิบายยากนะะคือเหตุ น, นี่ท่านคงไม่ได้คิดขนาดนั้นะ เดี๋ยวต้องก็เขียนเพืเ่อนๆไปที่จริงแม่น้ำในรันชราเป็นน้าจืดนะเป็นน้าจืดเพราะงั้นปลาก็ต้องควรจะมีปลาน้ําจืดไม่น่าจะมีปลาน้ําเค็มอยู่ในที่นั้นนั่นก็คือ ล, ะละักษณะเด่นของเขาว่ามีความคิดความอ่านมีตั้งข้อสงสัยอใครเรียนใครรู้ใครจะเกิดความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชม ปัญญายประการหนึ่งนั้นมาอาจอาจมาจากการประกอบการกระทำํำโดยการศึกษาเรียนรู้อย่างที่ว่าไว้เนี่ยฮนะคือข้อที่น่าสังเกตเวลาเนี้ยพวกไอสพศนะฮะพว ก, กไอ้ล่ะสกอศออด้วยนะฮะสานักการศึกษาแห่งชาติไอซพศสำ น, นักปฏิรูปการศึกษาเนี่ยคือโจมตีเรื่องความจําแปลกเอามาจากไหนเกียงนึกไม่ออกเลย ว่ามาจากไหนที่ว่าปฏิเสธการจําแล้วก็โจมตีเรื่องการท่องจาแล้วก็หาว่าเป็นนกแก้วนกขุนทองมันไม่มีเป็นนกแก้วนกขุนทองนะที่จริงคําว่าจําในมันจํำยังไงก็ได้นะดูบ่อยๆยฟังบ่อยบ่ยเห็นบ่อยๆยแล้วก็จําแม่นนั่นก็คือแบบเดียวกับท่องแต่มันใช้ประสาทสัมผัสชนอื่นเท่านั้นเอง แล้ท่องนั้นก็นํำสิ่งเหล่านั้นมาท่องไว้ด้วยปากเขาเรียกว่าพระเจ้าใช้คําอยู่สองคำแล้วก็ปรากฏอยู่ทุกแห่งเวลาพูดถึงสุตานี่คือทรงใช้ประคำบาลีว่าสุตะคือการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสคือตาหูจงูลิ้กายใจนะแล้วก็ทตาคือทรงจําเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าจะสาปริจิตตาคือเก็บสะสมไว้ด้วยวาจาคือท่องท่องในแม่น กฎเกณฑ์หลักการบทอคข ย, ยานสูตรทั้งหลายนี่ก็ต้องแล้วก็มนานสานุเปกิตาขึ้นนํามาเพ่งปีนิพพิจนาคิดจะเป็นระบบเป็นกระบวนการในการคิดที่ทยอยกันเป็นคลื่นแล้วก็มีความต่อเนื่องจนถึงเป็นทิฏฐิยาสุ ป, ปฏิปทาคือขบเจาะทะลุบูรพงในเรื่องเหล่านั้นเข้าใจทุกแง่ทุกมุมของเรื่องเหล่านั้นกับความเป็นจิงอันนี้ก็คือหลักที่เรียกว่าสุตตะแต่นี้คําตรงนี้ยบางทีเนี่ย เขเรียกว่าสุตะสุตทะโรสุตะสันนิจโยนะคือการสะสมสิ่งที่สระตอกฟังเอาไว้หมายความว่าสะสมสิ่งที่ผ่านมาธรรมชาติสัมผัสก็คือแบบจํานั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทรงใช้คําว่าวาจุกตาคือคอ่อบปากถ้าความคงเคยได้ยินคําว่าอสาัชฌามาลามันตาเริ่มุลที่มีการไม่ท่องบทเป็นมนทินเพราะการศึกษาของมนุษย์เราเนี่ยที่จริงก็คือการพัฒนาขันห้า แล้วก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสเราจะเห็นว่าเป็นงานของจิตเนี่ยเป็นงานของจิตจิตทาหน้าที่รับรู้สิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสจิตทาหน้าที่จำสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสจิตทาหน้าที่คิดสิ่งที่ตนสัมผัสในขณะนั้นแล้วก็สิ่งที่ตนจำไว้คือถ้าจะมีด้านเดียรเราคิดไม่ออก วันเราลองสังเกตว่าสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกได้ยินครั้งแรกสุดลมครั้งแรกลิ้มครั้งแรกจับต้องครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่รู้เราจะไม่รู้เพราะอะไรเราไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาเพราะไม่ต้องมีประสบการณ์ที่เป็นฐานในการจะคิดเนี่ยหมายความต้องมีหน่วยความจําอยู่ภายในจิตของเราหรือเคยจะเรียกสมองก็จาใจอนะฮะแต่ว่าสารุปว่าเรื่องความจำเนี่ยมีความจำเป็นและเห็นชัดเจนอยู่ยัภาษาเนี่ถ้าเราไม่จำเราทำํำยังไง การสร้างประโยคประทานเนี่ยถ้าเราไม่จําเนี่ยทำยังไงคือยังนึกไม่ออกว่านักการศึกษาทาั้งนั้นเนี่ยที่ทํางานในสพสไอ้สพสเนี่ยแล้วทำไมมาโจมตีเรื่องการท่องจําแล้วก็พูดบรนณาเน็นะกรมวิชาการเนี่ยพูดปรนณานแล้วมาก็เคยเป็นกรรมการในกรมวิชาการเคยทุง่งติงในที่ประชุมหลายครั้งแบอบกว่าเอามาจากไหนมันมีหลักเกณฑ์ที่ไหนละที่ที่ที่ไม่ต้องจำนะมันมีหลักเกณฑ์ที่ไหน เพราะมนุษย์เนี่ยมั น, ม, นมันต้องเรียนรู้ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสโลกเราเป็นโลกของประสาทสัมผัสอ่ะมันไม่อื่นไปจากประสาทสัมผัสต่องและที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพนุตญาณทรงแสดงกระบวนการศึกษาเรียนรู้เอาไว้ในระบบประสาทสัมผัสแล้วก็นําไปสู่จิตเนี่ยจิตจะทําหน้าที่จําทําหน้าที่คิดแล้วก็ทําหน้าที่รู้ขึ้นไปเรื่อยๆอปัญญามันก็เกิดขึ้นมาดับวิเคราะห์วิจัยต่างๆ พ้นสุตะเนี่ยมันเป็นการเสริมสมาธิที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็มองในแนวแบ่งแยกที่เคยบอกเอาไว้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องเชื่อเอานะหรือจะทํำยังไงอะ่ะเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านั้นเชนก็บอกคนนี้เป็นปู่เราเนี่ยเราเราไม่เชื่อทําไงพอบอกว่านี่คือปู่นี่คือย่านี่คือตานี่คือยายนี่คืออะไรแต่ไรเนี่ยเราทําไงแต่เราไม่เชื่อเอา เพราะเราไม่รู้ความเชื่อมโยงระหว่างพ่อแม่เรากับปู่ย่าตายายเนี่ยเราไม่รู้และแม่แต่ว่าตอนอแม่เกิดเรามาเราก็ไม่เห็นนะเพราะมันก็ใช่ความเชื่อไม่ได้ใช่ความรู้เราใช่ความเชื่อแล้วก็ข้อต่อไปนั้นก็คือก็เรียกว่าสนทนาเนี่ยคือการแลกเปลี่ยนกัน ป, ปรับความคิดความเห็นกันอาจจะสอบถามปัญหาอาจจะสนทนากันอาจจะถกเถียงอภิปรายห า, Overall, หา deciding, ข้อยุติในแง่มุมต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าในมงคลสูตรเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงกาเลนะธรรมสากชากาเลนธรรมะสวัสดงอิตมังกัลมุตมังกดยกันทั้งคู่นะฮะคือการสนทนาธรรมะกันตามการสรรพวิชาอะไรก็ตามนะที่จริงก็นํามาสนทนากันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกัน <c oughs> อนะความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ว่ามันต้องยึดโยงที่กฎเกณฑ์พอสมควรนะฮะไม่ใช่ตเตลิดไม่จะคิดเดต็มเตลิดไปนะยังวันก่อนที่ฝั่งเทพของพระตีรารูปหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่ามันขึ้นอยู่กับความคิดความเกิดอะไรเป็นอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับความคิดเน่ยขณะนั้นนั่นมันว่าวเองฮะที่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นนะพระเจ้าถ้าใช้คําว่าเกิดเป็นนั้นแล้วก็คือเกิดจริงๆเลย เกิดในกําเนิดทั้งสี่เลยจะไม่ใช้คําอย่างนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่แปลก เ, เราก็จําแนกแ ก, แก้แก้ได้นะจําแนกแก้แก่ได้ว่า ม, มันถูกหรือมันผิดอย่างวันก่อนมีท่านผู้หนึ่งนะพูดในที่ประชุมใหญ่ที่ําเนียบรัฐบาลเลยนะฮะพูดว่าก็มังกรนรงชืช่นชวนชาวนาให้หวา่านกล้าหนึ่งครั้ง หวานสามครั้งนะฮะเก็บเกี่ยวไม่ใช่วันหนึ่งครั้งเก็บเกี่ยวสามครั้งร้องฟังก็แสดงความชื่นชมแต่เราเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะข้าวที่เราหวานเนี่ยมันสุกเป็นเหมือนกันนะฮะมันเติบ โ, โตเป็นเหมือนกันมันไม่จําเป็นจะต้องปักดำเราฮะน้าหวานหนะ้าดำก็ส่วนหนึ่งก็ดำส่วนหนึ่งก็หวานนะฮะมันก็ถอนเขาก็กลายเขาเว้นข้ อ, อไว้มันก็กลายเป็นพวก พวนั้นนาพวกหวานมันเกิดมาจากหวานเขาก็โตเขาก็สุกพร้อมๆกันนั่นนะะเพราข้าวมันหวานพร้อมกันนั้นก็คือคือการนำมาคิดพอพูดแล้วเราก็วิ่นิจัยไดย้มันไม่มีเหตุผลอนะ่ะไม่มีเหตุผลนะพูดมาในลักษณะอย่างเนี้ยก็ทําให้เกิดสมาธิิพอสมาธิิมันจะคิดอย่างมีกฎเกณฑ์มีระบบในการคิดแล้วก็ชี้เคียงกันหลักการต่างๆในความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้อะไรต่อไรเนี่ย ซึ่งแน่นอนเราก็ต้องมีข้อมูลแต่ข้อมูลบางอย่างก็มีปัญหาวันก่อนเนี่ยคุ ย, ค, ยคุยกับผู้พิพากษาท่านหนึ่งท่านเล่าอหกฟังว่าท่านไปเป็นสารมิตรพักได้นั้นพยานเขาอ้างว่าเขาเห็นจำเลยเนี่ยค่าคนหรือ ต, ตอนนั้นน่ยเขายืนอยู่ที่ใต้ต้นมันเทศ พูดมันเกิดเรื่องวุ่นวายอนะไรน่ะผู้ภาษาฟังเรื่องหนึ่งเลยมันเทศเนี่ยผู้ภาษาก็หมายความพันไม้ชนิดเลยนะฮแต่เขานี่มันเทศคือมันสัมปรังพูดเรื่องเลยอันนี้คื อ, ค, อคือพอสนทนาพสักถามแล้วก็มันจะเกิดความเข้าใจเกิดจะเกิดจากความเข้าใจที่ถูกต้องก็ปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ได้แล้วข้อต่อไปคือแนวสมถะในสมถะคือแนวที่ทําจิตใจให้เราสงบ สงบอยู่กับอารมณ์อะไรก็ได้นะเช่นว่าภาวนาวะพุโทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกอดูที่จุดซึ่งลมกระทบนับลมหายใจเข้าออกไป็ต้นเนี่ยแล้วก็จะเกิดความสงบความสงบเสร็จแล้วเนี่ยจิตที่มันนิ่งเนี่ยคือมันสร้างปัญญาที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเธอทั้งหลายจงทำสมาธิเกิดเพราะบุคคลที่มีใจเป็นสมาธินั่นจะรู้เห็นในความเป็นจริง เนั้นเมื่อเราทำใจสงบเป็นหลักของสมาธิสมาธิทิฏิเขาก็ค่อยๆเกิดขึ้นะคือสมาธิก็เกิดก่อนแต่ว่าปัญญาเมื่อไเกิดตามขึ้นมาแล้วด้สุดจะเกิดปัญญาเน็ตชอบอะไรก็ตามที่เราฉุกคิดหรือหยุดคิดหรือเฉลียวคิดอะไรสักหน่อยนะมันจะมีความเฉดเดีมากยิ่งขึ้นพ้นสื่อต่างๆที่มีการนําเสนอมีเรื่องเยอะที่ว่า พอเราเริ่มใช้เหตุผลใช่ความคิดแล้วมันมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีเหตุผลของมันในตัวของมันเองแล้วแทนที่จะเป็นการ ส, สาร้างสรรค์พัฒนามันก็กลายเป็นการทําลายยังวันก่อนยังมีฟังรายการอะนี่แผ่นดินยังนึกชื่นชมนะฮะท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่ง ท, ทุภบาทบุตรท่านหนึ่งคือพูดถึงสํานึกที่ภายในจิตใจของคนเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่า คือความคิดที่เป็นองค์รวมกองความเป็นชาติเนี่ยมันลดลงไปเยอะอคนจะคิดถึงประโยชน์สุขส่วนตัวเองแล้วก็ไม่ให้ความต้องการแกชาติบ้านเมืองไม่ค่อยเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองอมุ่งกอบโกยตัดตรงตัวเองไปถึงชาติบ้านเมืองเนี่ยก็เมื่อเรียกว่าเกือบเป็นเกือบตายไปแล้วนะฮะจึงจะไม่คิดถึงสักทีหนึ่งเพราะอะไรเพราใจมันมากไปด้วยความเห็นแก่ตัวใจมันไม่สงบ ถ้าเรามีใจสงบแล้วเราหยุดคิดเราสุกคิดเราเฉลียวคิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะว่าชาติบ้านเมืองเนี่ยเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยและเป็นทิ้งเป็นที่ทิ้งซากของเรามีคุนอุปการแต่เราเปน็นนนเดกันนันเลยแกอย่างน้อยก็สมนึกกัตันอยู่กัตเวทีต่อมาตุกภูม มันก็ดีขึ้นเยอะนะฮะธรรมมาทิฏฐิคือปัญญาเองชอบมากเกิดขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือวิปัสสนาปัญญาคือายที่เรื่องปัญญาได้แก่มองสิ่งทั้งหลายเนี่ยยามีปัญญารู้เท่าทันเรืงความจรงิงในวิปัสสนาเนี่ยแนวสําคัญที่สุดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์เพราะในสิ่งที่เราคว้าด้วยตัณหาของเราของเราของเราเนี่ย เราก็ไม่ใช่ของเราจริงสักอย่างแม้แต่เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นมันเราก็ไม่ได้เป็นจริงทักอย่างหนงหรือแม้แต่เป็นตัวตนนยิ่งเละใหญ่เลยมันไม่มีตัวตนถาวร อ, อย่างที่เราเข้าใจกันเพราะว่นในประเด็นตัวนี้ทำให้คนต้องฉุกคิดหรือหยุดคิดแล้วก็อย่างน้อยก็บันเทาตัณหาจะเอาไปทำอะไรมากนักหนา ก็มาตามปกติไม่ไม่ค่อยไปเกี่ยวข้องกับศพอะไรท่าไรนะก็ยังนึกถึงตัวเองว่าเราก็อายุตั้งเยอะแล้วนะตั้งแต่เกิดมาแล้วยังไม่เคยจับศพจับต้องศพคนตายเลยแต่ว่าเคยมีส่วนร่วมในการเก็บกระดูกเนี่ยก็สองครั้ง่ะนะเก็บกระดูกพระอาจารย์เป็นผู้ใหญ่เป็นพระผู้ใหญ่ชั้นที่รัฐบตาตอบรมจตมหนึ่ง มาดูกระดูกของท่านที่เหลือเนี่ยกรอบเดียวจริงๆเลยนะหมายความว่ามือกรอบทีเดียวหมดเลยเก้งเลยทั้งคิดเท่าด้วยนะที่จริงตั้งแตีไปคิดเท่าอะไรมาด้วยเมื่อก็โปร่งเหมือนกันนะเหตุโดยชีวิตเราก็เท่านี้เองแต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ชีวิตจยูมันใหญ่โตกันจังเลยนะแต่พอตายแล้วก็เล็กกว่าลงอีกเนะียพอเผาเข้ามาปรากฏว่า น, นิดเดียนะไม่ได้สักกิโลเลยกระดก น่าสงสารชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะพอมองเห็นแล้วก็บรรเทาตัณหาบรรเทามานะมบรรเทาทิฏฐิลงไปความเห็นชอบมันก็เพิ่มพูนขึ้นไปในใจอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่มากระทบในแต่ละขณะแล้วก็หาประโยชน์จากอารมณ์ที่มากระทบได้ต้องฟังทั้งไลาย แต่รมาโพทยญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นแับนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดยทั่วกันสวัสดี